ติจสมุบาสัปดาดานี้ถึงหน้า690อ่เกาสอ 690เก้าสิบไปนี่เป็นเรื่องตัวอย่างของทิฏฐิหกสิบสองความเห็นผิดแบบต่างๆก็ ใครต้องการรู้เรื่องที่ฐิหกสิบสองว่ามีอะไรบ้างนะก็ดูได้จากปฏิจจสมบัติตรงนี้นะตั้งแต่หน้าห9 0้อยเก้าสิบไปนะไปเรื่อยๆจนถึงหน้าอะไร <c oughs> เยอะมากนเจ็ดเจ็ดสามล่ ะ, ละถึงหน้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามนะก็โอ้หลายสิบหน้าน <c oughs> เป็นปึกเลย <c oughs> เราจะอาบอกตัวอย่างของทิฏฐิพวกนี้แล้วก็กระโดดข้ามตรงนี้ไปเลยนะอย่างตัวอย่างของทิฏฐิหกสิบส <c oughs> <c oughs> องเช่นพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรมีอยู่หรือหนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะไปปักใจสู่ลายทิฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าคือทิฐิคือความเห็นจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่และอย่างแต่และอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียร ฟังเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่ง <c oughs> ทิฏฐิหกสิบสองจะเป็นเรื่องที่จะไม่เคยมีใครสอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่เรื่องที่ยากคือยากที่จะทำความเข้าใจกับความเห็นผิดแบบต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยตัดประเด็นว่าเราไม่ต้องเข้าไป ทราบก็ได้แต่ถ้าใครใครทราบได้ก็ก็ดีเรามองว่าเอาทราบแล้วมีประโยชน์อะไรไหม <c oughs> อาจจะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้รู้อุปนิสัยวาสนาหรือนิสัยของคนคนนั้นน่ะว่าอ๋อคนนั้นมีความเห็นคล้อยไปอย่างนี้จะแก้ความเห็นเขาด้วยมักคุเทศอะไรอย่างนี้นั้น โยมจึงไม่เห็นว่ามีใครสอนเรื่องทิฏฐิหกสิบสองเลยไม่มีไม่มีพระองค์ไหนสอนเรื่องทิฏฐิหกิบสองเป็นเรื่องที่ยากมากยากต่อการเข้าใจในมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆแต่ต่อมาก็มาดูว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิมันคิดเอาเองนะว่าไม่จําเป็นต้องไปรู้ก็ได้นะก็คือเรารู้สัมมาทิฏฐิพอแล้วนะ <c oughs> และเรารู้บทสรุปของ <c oughs> มิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านี้ว่ามันจะหมดไปถ้าเราเข้าใจนะและเราไม่เข้าไปยึดถือซึ่งขันห้ามิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านี้จะหมดไปนะหรือเราพิจารณาให้เห็นซึ่งองค์ประกอบของผัสสะนะรู้จักผัสสายยตะนาทั้งหลาย6ประการมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนี้ก็จะหมดไปทันทีเหมือนกันนะ ตัวอย่างของความเห็นอันแรกที่ <c oughs> อ่านใน้ฟังนั้นพระองค์ก็บอกว่านะ <c oughs> ภิกษุในครั้งพุทธการก็ไม่รู้เหมือนกันนะพระองค์จึงอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะเข้าไปปักใจซึ่งรูปความเห็นจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรนก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาละเนียด <c oughs> และพระองค์ก็ตัดในเรื่องของการเข้าไปยึดซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นคือสรุปว่าการเข้าไปยึดในขันทั้งห้านี้นะจะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิแบบนี้เกิดขึ้นมา พรงสรุปอันนึงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดได้แล้ว <c oughs> ในสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ในการนั้นเป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุกแม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกแม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกแม้ในทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกก็เป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นละขาดแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้ืตัวอย่างความเห็นอันอื่นอีกหลายเช่นว่า ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรืออีกอันก็ว่าอัตตาก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเหล่านั้นละไปแล้วจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนเที่ยงแท้มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา <c oughs> หรือความเห็นว่าเราไม่พึงมีด้วยของเราไม่พึงมีด้วยเราจักไม่มีของเราจักไม่มีหรือมีความเห็นว่า ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันอันบุคคลประกอบแล้วคือทานไม่มีผลยันการบูชาไม่มีผลนะไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทําดีแล้วกระทําชั่วแล้วผลวิบากของการกระทําดีกระทําชั่วไม่มีไม่มีโลกอื่นไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมันดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณนและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทาให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นไม่มีเขาไม่เชื่อนะ <c oughs> คนเหล่านี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตตาทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินเหมือนจะเป็นความเห็นถูกแต่ไม่ถูกต้อง มีถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่คํารกผ้านะจะพาเขาผู้ตายแล้วไปล่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสูงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าเขาปฏิเสธเรื่องทานนะคนโง่เท่านั้นที่ให้ทานกลายเป็นว่าอย่างนั้น <c oughs> คำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตาย สารพัดความเห็นแบบเนี้ยเป็นความเห็นแปลกๆแบบเนี้ยที่เราฟังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะนะอาจจะมีมากมายนะนี่เป็นความเห็นที่เป็นความเห็นผิดมิจฉาทิฐินะ <c oughs> อ่าเราก็จะผ่านไป ดูบทรสรุปของทิฏฐิ62ทั้งหมดที่ผู้เจ้าสรุปนะ <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดหน้าเจ็เจที่บัญญัตทิทิฏฐิปุพพันตาปารลปุพพันตะขันบ้างก็คือปารลขันในเบื้องต้นคือไปพูดเรื่องอดีตปารลอปรันตะขันบ้างคือไปพูดเรื่องอนาคตหรือปารลทั้งสองอย่าง <c oughs> ล้วนแต่เป็นผู้มีปุพันตาและอปรันตานทุทิฏฐิปารลบขัน ท, ทั้งที่เป็นปุพันตาและอปรันตะสมณพราหมณ์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นย่อมกล่าวบัญญัติทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบทมีอย่างต่างๆหมายถึงอธิมุติบทหมายถึงทางแห่งความหลุดพ้นอย่างยิ่งของสัตว์ตามทิฏฐิแห่งตนแห่งตนทุกคนจะบัญญัติการหลุดพ้นในรูปแบบของตัวเองนะเพราะฉะนั้น แต่ละคนก็มีมีการหลุดพ้นทั้งนั้นเลยเวลาไปในครั้งพุทธกาลทุกคนก็เป็นเจ้าลัทธินั้นทั้งนั้นบัญญัติการหลุดพ้นในแบบความเห็นของตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> มีอย่างต่างๆเป็นอนเนกด้วยวัตถุทั้งหลาย62ประการเหล่านี้นั่นเทียวก็คือด้วยวัตถุคือด้วยที่ตั้งแห่งทิฏฐิทั้งหลาย62แบบนี่แหละ เขาบัญญัติอย่างนี้มาแล้วบอกว่าเนี่ยอย่างนี้หลุดพ้นหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย62ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้ไม่ได้มีดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูปคลำแล้วอย่างนี้ <c oughs> ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรยพอย่างนั้นนะ จะเข้าถึงพบภูมิแบบนั้นถ้าใครเข้าไปถือทิฏฐิแบบนี้ตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งเฉพาะตนนั้นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งลดอร่อยซึ่งโทษอันต่ำสามและซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะไม่เพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามนะ ยากนะไม่มีพระองค์ไหนคุยเรื่องที่462ยากที่จะรู้ตามในตรงนี้ผู้เจ้ายืนยันเลยว่าเป็นธรรมที่ลึกสัตว์เห็นได้ยากยากที่สัตว์จะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีต <c oughs> ไม่เป็นวิสัยที่จะอย่างลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒ เครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงนะถ้าจะสรรเสริญพระเจ้าให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าพระเจ้าเก่งยังไงให้สรรเสริญว่าพระเจ้ารู้ทิฏฐิ62นะและสามารถดับความเห็น62แบบนี้ได้รู้วิธีดับนะรู้รายละเอียดของทิฏฐิหกทั้งหมดมนุษย์ทั้งโลก มีความเห็นแค่หกสิบสองแบบนี้คิดไม่เกินนี้นะถ้าเรารู้ปฏิจจสุบาลูอริสัตสีความเห็นหกสิบสองแบบนี้จะไม่มีจะหมดไป <c oughs> อ่าก็จบไว้เท่านี้ก่อน